เนื่นงอะรอนกันบ้างใช่เปล่งเพาใจเราสั่งร่างกายมันเคื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใปเรื่อหนึ่งต้องจิตมือันอีเื่อหนึ่งเป็นเรื่องคใจต่างร่างกายมันเป็นไปอีกหนึ่งเปลิงเนืาะว่าเราเกิดความรู้สึกเป็ืเอเลิง ถ้าเรารู้ที่ต้นตอมันแล้วรู้ใจที่ลัวใจที่ตัวเองอะไรนี้ก็ไม่ดคือในห็นสภาวะได้ยเยอะขึ้นถสภาวะได้มากขยยึ้นีคือเราปฏิบัติถ้าแทนที่เราจะไปรู้อย่างที่เขาเป็นนะ ไปไปควบคุมไปบังคับที่ผ่านๆมามันไม่ใช่นะนักปฏิบัติเนี่ยที่ต้องลำบากยากเยนมากมายก็เพราะว่าไม่เข้าใจหลักเลริ่มต้นก็ผิดนะต้นทางก็ผิดทางทางก็ผิดปลายทางก็ผิดอนะีกต้นทางแทนที่จะให้สติระลึกให้เอาสติไปกำหนดไปบังคับนเปนผมมนวชทําไปเพื่ออะไรอยากได้ทำเพื่ออยากได้อยากได้ยาง ได้มรรผลวิปากทำทุกอย่างถ้าเราวางใจแค่ว่าเราจะทําตัวเป็นผู้ศึกษาศาสนาพุทธเน้นเรื่องการศึกษามากนะเน้นการศึกษาศาสนาพุทธเียว่าศึกษาใช้ลศึกษาศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาศึกษาทัเรื่องศึกษาเนี่ยศึกษาเพื่อจะรู้ไม่ใช่ศึกษาเพื่อจะเอา นี่เราไม่ได้ศึกษาแล้วมุ่งไปปฏิบัติปฏิบัติมันเป็นการทำํำทำก็ต้องหวังผลดนั้นเบื้องต้นก็เลยชอบไปกําหนดเราไปบังคับเอาไปทิ้งเราอยากรู้ให้ชัดๆก็ไปจ้องเราจ้องเราแทนที่จะตามรู้เหมือนที่ท่านบอกตามรู้ไปเลยไม่เหนื่อยไปดักเอาไว้ไปจ้องเอาไว้เครียดต้นทางมันผิดสายทางมักไปไม่ได้ กลางทางยังผิดๆนะมีแลนด์มมีเครื่องสังเกตที่ผิดๆยังไปเอายานมาเป็นเครื่องสั่งเกตยอันนี่ยานัวจิตย่เป็นอาการของธรรมชาตทั้งนั้นที่เอามายกเป็นยานยานปลายทางยังผิดๆนะปทางเช่นภาวนาไปแล้วหดสติรูบไประบบรรลุมากผลบรรลุมัรผลไม่มีจิตบรรูุมรกผลต้องมีจิตนะไม่ใช่หมดสติรูบในระบบรรลุมากผล นี่เป็นต้นทา ง, งไม่ถูกนะกลางทางไม่ถูกปลายทางไม่ถูกมันไปอย่างไปนิพพานชนิดหนึ่งไป น, นิพพานของปลงนิพพานของคุณใะไหนแยกได้ไรใช่ไสติระห ว, ว่างสติเรารู้กับสติกำหนดภาวะไม่เหมือนกันคุณจะได้แยกได้รรใช่ไหมิตที่เป็นกุศลกับอรรมกุศลได้เหมือนกันจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันโปร่งโล่งเบานะ บาขขงทีก็มีความสุขแถวขึ้นมาโดยจิตไม่มีโสมนัสเมตนามีความสุข้วถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วเกิดความเครียดผิดแน่นอนถ้าจิตที่เครียดเนี่ยเป็นโภสะโมลจิตเป็นอกุศลจิตนั้นเราลงมือปฏิบัติพุ๊บจิตเครียดปั๊บแสดงแล้วทําผิดแน่นอนไปทําอกุศลแทนกุศลเขาเลยยิ่งคนใดๆก็แยกแยกไปเรื่อยๆนะถอแยกกันได้ถ้ารู้จักสภาวะนะ หาดูวิธีที่จะรู้สภาวะเป็นแรกให้บอกว่าจิตชนิดไหนเป็นผุ้สอผุศลจิตชนิดไหนที่ทาสมถะสมถชเนี่ยสติสมาธิปัญญาทําแบบสมัะจิตที่เป็นวิปัสสนาสติสมาธิปัญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งสติของสมัชชานี่ยเข้าไปเจ้าไหมสติของวิปัสสนาเราเรรู้สมาธิ ของธรรมะก็ไปนอนแค่อยู่ในอารมณ์ถ้าไปตั้งแค่อยู่ในอารมณ์สมาธิที่ใช้ทาวิปัสสนาตั้งมั่นในการดูว่ารมอยู่ตะนากในใจิตใจอยู่ตรนากตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ตระนาปัญญาของวิปัสสนาเนี่ยเด็นการเห็นสภาวะเห็นไตรักษณ์ภานาเรื่องไตรักษไม่ใช่เรื่องอุบายกดกลม จ, จิตใจปัญญาของสมถมะเป็นวิธีว่า มีความรู้ความเข้าใจว่าทำไงจะสู้ที่อ่อนได้สู้กิเลสได้จิตไม่สงบทำไงจะสงบจิตไม่ดีทําไงจะดีมันเป็นปัญญานี่มันจะเป็นปัญญาพลอยะเป็นปัญญาของวิปัสนาเป็นปัญญาที่เป็นใจวะถ้าคุณในในจับหลักพวกนี้ให้แม่นนะเราจะได้ทําประโยชน์ได้อย่อะเลยจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ตึงทงี่ชู้ เป็นอภิทจิตที่รู้ตื่นเบิกบานสงกสะอาดสว่างมีสมานัตบ้างมีมิเบกขาอย่างรุ่มนวนบ้างไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวนรณ์ครอบงำในจิตที่อยากปฏิบัติจงใจกําหนดเนีย่ยเป็นจิตที่ถูกกิเลสครอบงำโลภะเจตนาครอบงำในในหลวงแม่มันอยากปฏิบัติก่อนเนี่ยตัวโลภะก็เลยเกิดการจงใจไปดู การจงใจไปดูนั่นเลยเป็นโลภะเจตนาเป็นเจตนาที่เกลือด้วยโลภะจิตในขณะที่ดูตลอดลสายนล้วเป็นอกุสลจิตเป็นอกนี้มันเกลือด้วยโลภะมันก็เป็นโลภะโมกติดูไปดูไปเกิดความสุขเกิดความ ส, ส, สบายก็ได้ถ้าโลภะนี่ให้ความสุขก็ได้แต่วันไหนจิตใจไม่สงบเป็นเอาเช่นเอ า, เ น, เอาเนี่ยโลภะไม่ได้รับการตอบสนอง จิตเป็นโภธาเฟเฟืเ้ขึ้นมามั่เห็นมีผลหมดนะที่พวกเราปฏิบัติแล้วเฟีเ้อเพอเพราะราคะไม่ได้รับกันขับขนองการปฏิบัติในสุขเดชนำหน้ากป็นแต่ว่าการทำนิพพสนานั้นสติกเกิดขึ้นเองไม่ได้มีโลภะเจตนาที่จะรู้ไม่ได้เจตนาด้วยว่าจะรู้กายหรืรู้ใจไม่มีสายไหนสายไหนนะ สายๆนั้เป็นติดตั้งต้นเพื่อหัดูสภาวะเท่านั้นเองพอสติเกิดแล้วไม่มีสายแล้วนะบางทีสติก็เราเลืกรู้กายบางทีสติเราเลือกรู้จิตเราเลือกไม่ได้บางครั้งจิตเกิดกุศลเกิดอาฆาตกุศลให้ตามรู้ตามูไปเราเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นกุศลหรืออาฆกุศลบางครั้งจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะสุขหรือทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็มีแต่สแสดงไตรลักให้ดูทุกสิ่ง ให้คุณเดนเราฟังพีดีทํามาบ่อยๆหน่อย น, นะเพควรต้องอ่านหนังสือที่ทํามาเขียนจะได้แม่ต่อไปเราเห็นคนปฏิบัติปลาดเอารู้เลยโอ้มันแปลกๆตกข้างทางอยู่ตรงไหนตกข้างซ้ายบ้างตกข้างขวาบ้างเป็นคนที่มาเรียนหลักได้อย่างที่สอนให้คุณเใด น, ใ น, นัยได้หลักแล้วเวลามาส่งกันบ้านหลวงพจะไปตกก็ได้เลย เอียงซ้ายก็ตบขึ้นมาเอียงขวาก็ตบขึ้นมาตกซ้ายตีขวาตีมันอยู่ในรูในทางเป็นการเดินไปถึงปายทางเป็นหน้าที่ต้องเดินเีงหลวงพ่อไม่เดิไปปลักไปดันหรือไปยันไปจีบอะไรให้ไปได้นะต้องไปเอช่วยได้แค่ว่าตอนนี้จิตหลงไปข้างนี้แล้วนะหลวงพิงกันแล้วตอนนี้เพื่อเกินเกินกันแล้วตลอดสายของการปฏิบัติยีงมีหลุมบ่อ มีหลุมพลางมากมายพร้อมยินให้เราลงไปหนเช่นบางพลางภาวนาไปจิตรวมตึ๊บเรืสว่างปับขึ้นมาแหมสบายค้างอยู่หลายหลายวันนะนึกว่าบรรลุมรรคผลไปหรือภาวนาไปเราดูจิตดูใจนะดูไปเรื่อยๆเราเด็กเอ๊ที่นี่ของถูกรู้นะจิตที่เป็นคนดูอยู่ข้างบนไม้ตัวจิตนี้ไม่เห็นมันจะฟุ้งเลยวันนี้มันฟุ้ง ถ้าอย่างนั้นเอาอยู่กับตัวไม่ทุกข์ดีกว่าไปจับเอาตัวผู้รู้ไว้เฉยๆอย่างที่หลวงอก็มีหน้าที่ต้ตบตบลงมาท่ากลับมาอยู่กับโลกเหมัอนบางคนภาวนาดูจิตดูใจนะเห็นเคลื่อนไหวอยู่เท่าไหร่นะมาดูปิดจ้องใส่มันจิดจ้องใส่มันแต่ที่จะรู้เฉยๆกับเป็นถลำลงไปจ้องมันจะหดหนีลงไปลึกๆลึกๆลงไปแล้วไ่อยู่ข้างในแนละ้วไปเรียกว่าทำวิปัปสสนายิ่มม ง, งยิง่งยิง่งนยะิ่อยู่ตรงไห พวกนี้หลวง่อก็ต้องดีให้มีหลุดออกมาที่ครูบาอาจารย์จะช่วยได้อย่างนี้เลยอันแรกเลยช่วยให้ารู้สภาวะให้รู้วิธีรู้สภาวะให้จําแนกแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอุปสนอะุศสนอะไรเป็นสมถะวิปัสนาถ้าไม่งั้นเราจะมั่วตั่วเราปฏิบัติจิตแน่นอนเราก็จะเอาจิตที่เป็นอักขุสนมาไปทําวิปัสนาหรือเอาจิตที่ควรทําสมถะไปทำวิปัสนา ก็จะปิดจิดถูกๆรูปรูปๆตามๆหรือแทนที่จะหาดู้สภาวะโดยสติเกิดเองก็งจะไปบังคับจิให้เกิดสติขึ้นมาเรื่องนี้ใช่ไม่ได้หน้าที่ครูบาอาจารย์เขบอกว่าสติเกิดได้อย่งังไงบอกวิธีที่จะฝึกให้สติเกิดให้สติเกิดบ่อยๆสติเกิดแล้วเห็นสติทํางานระลึกรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจแล้วทํายังไงไม่ทําอะไรรู้อย่างที่มันเป็นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอา ระหว่างทางไ่อยเดินไปก็ต้องตบซ้ายตกขวาตบบนตกล่างนะนั่นนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าเราจะถนาดก็เกิดเหมันช่างตั้นหมอ้อที่ทุบดินนวดต้องรวดนะทุกซ้ายทุกขวาอยู่นะั่ทุกไปทุกมาท่านบอกว่าใไปจนได้ก็ได้แก่ไปจนไม่ได้ก็แหลกเลีว้วคาเ ม, มือหลวงข้าไม่ ถ, ถนุสนอมนกสิตนะ ไม่โ ho นะไม่เอาใจนะเพื่อใครหวังมาปฏิบัตินะจะให้หลวงพ่อคอยปลอบโยนปลอบให้ทีสองทีนะหลายทีไม่ปลอบนะเคมีผู้หญิงคนหนึ่งตัวผีแล้วก็ชาบประปวนเนี่ยสนใจจะเล่นผีแทนที่จะสนใจจิตใจเองวันวันเราเที่ยวไปเห็นตรงโน้นตรงนี้แล้วรีบ ม, มาถามหลวงพ่อที่เห็นนะี่ยไม่ิีใช่ไหมคะผีไม่มีที่นั้นใช่ไมะ่ะไหนให้เราบอกว่าไม่มีจะได้สบายใจ ม, มันต้องการแค่เนี้ยเจอสิไรก็ถามแตเรื่องผีนั่นมัหลังหลวงพอย้อนสอนเรเห็นว่า น, นั้นมีผีใช่ไหมครับคงไม่ใช่เมื่อคงจิตคิดเองใช่ไหมครับผีจริงๆ๊ฮ้ยผีจริงเหรอแล้วมันเข้าบ้ามนมีชั้นได้ไหยได้สิผีไปไหนก็ได้ใช่แต่ได้กลัวผีเลิกสนใจเรื่องผีเลยไม่ดูอีกเลยบางคนมาเรียนกะัหลวงพอแล้วมันนั่งเคลิ้มตาลอยนะ เืเเเน้ำบูมน้ำตาเรื่องนะปีสองปีไม่ว่าน ะ, ะหลายปีโดนี่ต้องมาปราบปลื้มขนาดนั้นหลายสาระเจ็บลื้ออะไรนักหน า, าไร้ไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ปลื้มครูบาอาจารย์ก็จะเมี่ยง้ปลื้มนะไว้เรียนมาเรียนรู้อะไรยังไม่รู้มาเรียนเขียนไม่เท่านุษสมองนะต้องอดทนเป็นหน้าที่ของเราต้องอดทนเอาเอง หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไม่เคยคิดจะให้ครูบาอาจารย์สนุนสนับเลยนะไปเรียนธรรมะไปถามเอาผิดถูกก็ว่ามาอย่างไรก็ได้ผิดเราก็พร้อมจะมาบกชวนแต่ว่าเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะไปเรื่องแตที่ว่างนะไม่ได้ไปแบบชาล้มด้วยไปแบบเปิดใจที่จะไปเรียนคือถ้าระวางใจว่าเราเป็นนักเรียนเราต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างนี้เรียนง่าย ถ้าเราจะไปแบบศาสตราจารย์จะไปวิชั่กับศาสตราจารย์อีกคนหนึ่งนี่จะได้อะไรได้แต่ความเชื่อมันอ่นในตัวเองแบบผิดๆมากขึ้นมากขึ้นถ้าไปแบบนักเรียนนะแบบเด็กที่รู้เรื่องเด็ขอความรู้เขาเรื่องวัฒนธรรมวิถีตะวันออกกับตะวันตกก็ไม่เหมือนกันนะพวกเราตอนนี้เราเรียนรู้แบบตะวันตกครูบาอาจารย์เหมือนลูกจ้างนะ มาเรียนเรียนเดียวไปจ่ายใบโรนาแล้วมันไปไม่ต้องมาจ่ายก็ได้นะ <c oughs> ส่วนวิถีตะวันออกเนี่ยรู้สึกกับครูบาอาจารย์นนะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกร่วมเป็นร่วมตายกันรู้สิกเนี่ไม่ใช่ไปจ่ายค่าจา้างให้อาจารย์นะแต่ไปขอความรู้กัอาจารย์ได้ขอความรู้อาจารย์เป็นผู้ให้รูกสิกได้รับความรู้รู้สิกก็ทําตัวเป็นผู้ให้คออุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ เป็นผู้ให้กับผู้ให้นะไม่ใช่ผู้จ้างกับผู้ซื้อผู้จ้างกับผู้ขายอะไรเนี้ลูกจ้างกับนายจ้างจะไปด้วยความหวังในวิชาความรู้จริงๆเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะต้องเก็บเขี้ยวเก็บเล็บไปหมดเลยไหนก่อนเข้มงวดนั้นเรียนแบบครูบาอาจารย์มัดฝานต่างเขี้ยวกลางเล็บไปเลยก็โดนดีเท่านี้มีฟ้าบางงงนะใจสนองสนองไป งานหูกุมมั่งนี่นานแะลนะหลวงพไม่ทันท่านตอนท่านหลวงพ่อเกิดท่านไม่อยู่แล้วการเที่ยวกลางเล็บในใจท่านเรียกดาวนะวดเที่ยวคือหมาวดงานคือชา้างคือไม่ใช่แต่ว่าคือนะคือก็เหมือนหมาวดเที่ยวเหมือนหมาวดงานเหมือนชา้างการเที่ยวกลางเล็บ ไ, ไ, ไปไปต่อสู้ไปต่อสู้ไปดิสคัฟ ครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะแต่ทาให้ดูเราะงั้นต้องเป็กไปอยู่ด้วย้าใกล้ๆใกล้ๆสังเกตุครูบาอาจารย์นิดหลังไม่มีเวลาแล้โยมเยอะครูบาอาจารย์ก็สบายงอแง้วกเง้วไม่ไหวแล้ว <c ười> ต้าเกเยๆนิดเดียเปิดใจมันสำคัญมากเลยเวลาเรียนธรรมะเปิดใจกว้างๆลืมความรู้เก่าซะเรียนรู้อะไรที่มันใหม่ๆ ถ้าความรู้เก่าของเราดีเราคงบรรลุมรกคผลที่ผ่านยันไปหมดแล้วละ่ะคงพลุกไปแล้วละ่ะนี่มันพลุไม่ได้ยินไปแดกไปแดกไปแดกอย่างเก่งแค่ไหนเนะ mm hmm. เาะอ้าวม่ีกาหลงเป็นไงคุณนในมีอะไรไหมเป็นไงคุณถามเขาเขาจะรองส่รนตะันาาก็ได้พาาี่พีออ่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่ีีีี ที่มีแต่าก็ได้กี่ปินี่อย่างการที่เราเดินไปเรื่ถ้าเราเห็นกายเห็นใจอย็นกใจเห็นใจนะใจสับว่ารู้สักว่าดูเป็นปีติขึ้นเกิดีติเราเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นตอนเรื่องยาวนานเกิดปีติอันนี้เป็นปีติโคชรโฉมปีติตามโคตรโฉมเกิดยังมีสติอีกอันหนึ่งเกิดจากสมาธิถ้าใจเราไหลลงไปเราไม่คิดไม่เนื่ไใจติดจอดในอารมณ์เดียวแล้วมีปีติเรารูเหตุตรงนี้ ดูเหตุขมาแล้วดยจิตใจขนาดนั้นปีติของกรรมฐ า, มมจจามนฤฤฤฤฤ น, านี่มันจะเยอ่นเยืใจจะเข้าไปทุกดีปีติในธรรมนี่มันปีติอ ย, อยา่นิดแต่รู้ตื่นอยเงน้ยมีปีติแทกขึ้นม า, ท, า, ท, า ท, ทั้งที่ใจรู้ใจตื่นค่อยๆสังเกตมีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในตำรับํารานะค่อยๆเรียนค่อยๆดูทต ไม่เรื่องของเขาเองเรื่องของเขาเองเราอย่าไปาาทำขึ้นมาสติเนี่ยจริงๆไม่ตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นหน้าที่ของสมาธิสติมีหน้าที่ระลึกระลึกแต่ก็จบหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเขาระลึกได้บ่อยเราจะรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวได้ทั้งวันทั้งคืนความจริงคือเกิดกี่ขีไม่ใช่เกิดอันเดียวแล้วค้างค้างอยูน่นานๆเหมือนแสงไฟ ไฟฟ้าวิน า, าทีมูงดับห้าสิบกว่าฟังแต่ว่าเราเห็นมันต่อเนื่องเพราะมันผีสตินี้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดบ่อยๆล้ว ร, รู้สึกมนุษยทั้งวันเ่ยนะใจจะโปร่งโล่งนะถ้าใจเ ย, จเยจเจเิ่มเยิ่มใจเคลิ้มเคลิ้มนั้นเกิดจากการเื่องเวลาที่มันเกิดต่อเนื่องสังเกตให้ดีเถอะมันเกิดผีผีดีมีอะไรติดามถามมัน อู่ราครั้งช่วงเวลเราเดินจะตอ่รั้นก็อเูกที่มันจะตกตาี่นต้องต้องระวันิดหนึ่งถ้าเกิดชัดเกินธรรมดาชัดติดเกิดจากการที่เราเร้าติดมากเกินไปเราร่าความรู้สึกเัวองเยอะเกินไปนะผ่อนลงเราถ้เห็นธรรมดาเนี่ยแต่ก่อนหลวงพ่อยุ้ว่า ครูบาอาจานะสติยิ่งมากยิ่นดีแล้วก็ราวขึ้นมาแล้วแขงแท้แข็งขึ้นมานย่างนียอยู่ได้ทั้งวันเลยมันไม่ใช่ของแพ้เราไปสร้างขึ้นมาเรามองอากาศตรงหน้านะเห็นเป็นเมดเมเม็ได้สติที่เร้าอย่างแรงอัน ไ, ได้เกินเกินไปสติที่ถูกเรา้าวรุนแรงเกินไปนี่นนะเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งบางคนพอร้ามากนะหลวงพ่อทำให้ค มันจะเราเล่าจนกระทัางมันเห็นอะไรรู้ชัดไปหมดแล้วจิตเกิดค้างอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์อะไรลำบากยากแค้นปานน้ำอย่าไปเล่ามันนะรู้สบายรู้รุ่มรุ่ ม, มรู้อ่อนโยนอย่าลืมอ่อนโยนแล้วจะคมไปคมชัดคมเกินถ้ามีอะไรอย่างสามสามซะมคือสุดเลยว่าใน ทกเราตามแมีตามร่อที่อื่จะเขึ้นลก็นองการตามนะเราแค่ตามรู้สภาวะที่เกิดขึ้นทีลักษณะทีลักษณะแล้วก็จบตรงหน้าการตามไม่ไม่ต้องตามไปชื่อ่นนะเดี๋ยวเราเห็นสภาวะพอเราไปดูมัน หลงเปจ้องนิเี่ยมันผวดตัวไม่ต้องตาง ม, มารงไปตามดูไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งตามมารองไปนะตามดูเรี่ยใจตั้งมั่นในการดูตามดูหมายถึงถ้าอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้มันอย่าไปดักไห้ก่อดยินตาหยิบเอามีก็มีนะถ้าเป็นแบบหลวงู่เทศจะถามเท่านี้หรอ <c oughs> <c oughs> การไปหาท่านนะจะถามธรรมะท่านเรื่องจิตชวิดน้นชวิตนี้นะหาการต่าง ท่านตอบด้วยความเครื <Ừ. S 1> ăng, <Ừ> ่ักนะเคือเข้าเครื่องักเครืองพักท่านบอกจบแล้วครับนะมีเท่านี้เหรอแต่บางองค์ยังกระเทียมวยอี่เห็นลงปู่ดูปวดการต้านที่อ๋องแล้วยังไงอีกละแล้วยังไงอีกแล้วยังไงอีกแมมดีไปตามลําดับเลยนะพอถึงยกสุดท้ายแล้วยังไงอีกตอตอบปุ๊บนะลิมิต Rage, rage, ไล่ไล่ไล่แม่ึกว่าจะบรรลุวรรคผลแล้วเนี้เล็นลื่นๆเลยหลวงพ่อเสด็จเดินที่หลวงสุวัดแต น, นั้นท่านไม่สบายมากนะเกือบจะมานภาพนะเขาเก็นรถมาท่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมันเป็นธาดขันนะไม่ใช่ธาตหันรรู้ตัวตลอดเวลาธาดขันนันเลยเกือบจิตน้าท่องใสไม่มีข้าวหมอใกล้เลยไปเรียงท่าน ดังนั้นทังบวชใหม่ๆหลวงปู่ในกองหลวงปู่สอนผมปฏิบัติผมก็ดูผู้รู้อยู่มีท่านมือปางขึ้นมาผมเห็นจิตผู้รู้เลยแล้วสงฆก็วางลงไปขยับนี้นะแล้วผมก็ไปหยิบมันขึ้นมาตอนนี้หมดแล้วหยิบมันทําไม่มีเท่านั้นแหะอย่าสงสัยก็จิตมันสงสัยอ่ะเห็นไหมเราเพราะว่าเราไม่สงสัยเราพอละจิตมันไม่พอไง สิ่มันก็ต้องค้นค้าต่อไปไม่รู้นะว่าไม่พออะไรไม่รู้ว่ายังขาดความรู้อะไรโอที่แท้ขาดเ ร, รื่องอริยสัจนะนั้นต้องแจ้งอริยสัจนะถึงจะค้นจากทุกได้จริงๆถ้าไม่แจ้งอริยสัจไม่คนทุกหรอกสำคัญมากเรียนที่ได้อริยสัจอริยสัจเราเรียนเรื่องทุกข์นะอะไรเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์นะ ให้ด right? right? ูไปความทุขอยู่ที э <c ười> ่กายรู้ไปความทุขอยู่ที่ใจรู้ไปีนที่สุดก็เห็นเออความทุขในกายก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาความทุขในใจก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามถ้าไม่มีอะไรแปลกปลอมจิตใจก็มีแต่ความทุกขนึกว่าเจ๋งแล้วนะยังหลงผิดอีกเราเห็นแต่ว่ากายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุขปัญญาสติปัญญาไม่แทงตลอดแต่ว่ากายกับใจนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นแค่ที่ตั้งนะ ตัวมันนั่นแหละตรวจดูตัวนี้ดูยากสุดๆเลยถ้าเห็นมันก็ขาดละ่ะวางกายวางใจคือให้โลกกระแทกเท่านั้นเรียนนะกับสนาพุทธสนุกที่สุดหลวงพ่อไม่เห็นอะไรสนุกเท่าการปฏิบัติเลยไม่ใช่ปฏิบททัติด้วยความลำบากคุกนะขีดนะพหลวงพ่อไม่ได้คิดจะทําตัวเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อทําตัวเป็นนักเรียนเรารักที่จะเรียนแนละเรียนด้วยความสนุก เรียนรู้กายอู้มันมีความรู้ที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันเยอะแยะเรียนรู้จิตนะยิ่งตลาดพันธ์ชนันหนักก็มีทำไมมันวิจิตหรือจิตมันวิจิตวิจิตทิตศดานนั่นเองยิ่งเรียนยิงรู้ยิ่งสนุกสนานความรู้ฟว้างขวางออกไปเรื่อยๆถามว่าความรู้ฟว้างขวางในเรื่องอะไรความรู้กั้งขวางในวงที่แคบลงแคบลงเรียนรู้บีบการเรียนรู้จะบีบตัวหลงเข้าหาตัวจิต ผู้รู้ตรวจร่างหนูนี่เรียนบีบเข้าหาตัวจิตนี่แต่เดิมเรียนแต่สิ่งนอกๆ น, นะรู้แต่ของนอกอรู้แจ้งรู้ควรมันควรกระแสเข้ามาเข้ามาหาจิตหาใจสุด ท, ท้ายมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจนี่อริยสัจจิตเกิดที่จิตเองนะทุกสมุทรไทยที่รอดมันคือที่จิตนี้ทั้งหมดเลยนั่นไม่ต้องไปปฏิบัติอ้อมๆ ม, มากบางคนอ้อมนะไปเดินจงกรมไปรู้ว่าพื้นเยน็นพื้นร้อนรู้มัญหาสวรรค์มิมาณไหม ไม่มีใครเขาคิดว่าพื้นศาลานะเป็นตัวเราหรอกตัวเราอยู่ตรงไหนเ ร, เรียนมันเข้ามาตรงนั้นสิเรียนเรื่อละความเห็นผิดเรื่องตัวเรางั้นก็ไม่ต้องไปเรียนของนอกซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราอยไม่มีใครเห็นนะว่าโต๊ะไม่เป็นตัวเราไม่ดีอยู่แล้วเห็นไม่ไม่ชี้ร่าพื้นศาลาเป็นตัวเราไม่เห็นหรอกใครจะบ้าเห็นอย่างนั้นเนาะไม่เรียนอะไรมนันละตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่กายที่ใจที่เรียนเข้ามาในกายใจของเรา เรียนก็มาวิธีเรียนก็คือดูที่จริงๆเป็นยังไงดูว่าของจริงเป็นยังไงไม่ใช่ไปนั่งคาดคณีเอาว่าเป็นยงงอย่างไงหนึ่งนี้พวกนี้คิดเอาไม่ใช่ไปนั่งเพ่เงเอาเพ่งเอาเพ่งเอาบนต้นนิ่งจะ ไ, ได้ความรู้อะไรแต่ว่าถ้าใจฟูต้านต้องทําสมาธินะไม่ใช่ว่าหลวงพ้อไม่ให้ทํานะหลวงพ่อก็ทํำสมาธินะทํามาตั้งแต่เจ็ดขวบจนอายุยี่สิบสองทำแต่สมาธิอย่างเดียวเลยไม่มีปัญญาพอมาหัดทำวิปัสสนาะ มันนิปัสนาบางทีทำเพื้อเกินเลยลืมสมถะจิตใจไม่มีแรงนะเหมือนมีืดชื่อแล้วคราวนี้เหมือนมีดชื่อเอาไปตัดต้นไม้ไม่เข้าแล้วปันโกรมโครมไปเลยแล้วทําทความสงบครั้นี้เป่นจิตถ อ, อยออกมารู้สภาวะขาดสะบ้านเลยเนหะมือนมีดคมผมยืนยันที่จิตใจเราอ่อนแรงลงไปเราก็ดูตัวเองช่วงนี้ก็แก้นะแล้วก็แก้ลงไปแล้วก็ ทำความสงบเข้ามาจิตใจมีเรี่ยวมีแรงออกมาเจริญสติต่อแม่ชีเรี่ยวจิตใจมีเรี่ยวมีแรงนะคนตับคนนี้แม่ชีกาหลงต้องไปทำความสงบนิดหน่อยจิตใจพ่อแพรจะวัดผลหรือ คืออากรที่กิดาหนึ่งอย่างคือก็คือมานื่อยในการที่ที่จะอ่านอย่างเช่นแบบกรเลาอ่นไม่ได้พิจารณาให้รู้ตัวเห็นเช่นพิจารณาองความแหวะที่ม่มา้พิจารณานี่ก็มีเหตุปัจว่าม้แล้ว่้วก็ มันเป็นอยางนความรู้สึกนั้นขาดที่เป็นเหตุผลคือที่ควจะเป็นแต่ความรู้สึกที่อยากตามใจตัวเองนานนิดหนึ่ก็เห่อยไช่ไหมค่เนื่อยแล้วมันก็ตื้นสำให้เกิดปอญหาความรูอสึกกำลังนิ่น้อยท้อสิ่นั้นก็นั้นก็ผอนคลายแล้วก็มีเกิดเจอว่าถ้ามันหยุด มันก็ถึงเมื่อไหร่ที่มันยังไม่เยอะก็ไม่ถึงเพราะว่าตรงนี้เกิดแต่การทองการสังฆสังฆของจิตที่มีป่าแต่การยึดตัวเนี้หรือว่าเคยได้ฟังเ้าวิสตาหลายก็พูดถึงสถุปแล้วคือเวลาเราจาเป็นต้าอยู่กับโลก อย่างไรจำเป็นต้องไปอยู่บนโลกเดี๋ยวหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์เดี๋ยวทีวีสัมภาษณ์เดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าใจเรารักคิดโหยหาแต่อยากปฏิบัติตามลำพังเงียบๆเราจะยิ่งพุกหนักรู้สึกตายแล้วฉันไม่มีเวลาเลยเมื่อไหร่ฉันจะบรรลุสติใจจะดิ้นจปนแบบนี้แต่ถ้าเราคิดว่าการที่เรามีผัสสะการที่เราต้องทางานก็คือการมีผัสสะนี่ ที่ถัจากแล้วเราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเราไม่ได้รู้สึกว่าการทํางานนี่มา่วงการปฏิบัตินะจิตใจจะไม่ได้ทุรนทุรายมากมักเพรฉะนัถ้าเราเราเกลียดงานง่ายๆเราเกลียดงานแล้วเราต้องทํางานจิตใจมีความทุกข์เยอะแต่ถ้าเราถือว่าการทํางานนี่ก็คือถัดจาหนึ่งมีภัดจากไปเราเรียนรู้ไปอย่างนี้เราก็ไม่ทุรนทุรายแต่พอทํางานต่อเนื่องยาวนานร่างกายเหนื่อเหนื่อยจิตใจก็เหนื่เหนื่อยเหมือนกันเราก็พักผ่อน เราก็ทําความสงมบผัก่อนช่วงไห น, นมีโอกาสอย่างลองวิเทนสมมุตินี้ชาวโลกมีลองวิเทนเราก็ไปหาที่ภาวนาปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆอย่การปีกตัวออจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆทาช่วงครั้งทุกงคราวนะไม่ใช่ปีตลอดเวลาแต่ชาววัดเนี่ยสิ่งแวดล้อมเดิมๆคือการอยู่ในวัดรือออกไหมเล่นบางตั้งบางสาวออกไปผจญโลกข้างนอกดูซิ ที่ฝึกในวัาที่มันได้เรื่องไหมเออส่วนชาวโลกเนี่ยสิ่งแวดล้อมเดิมๆคือการอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่บนถนนนี่สิ่งแวดล้อมเดิมๆก็ฝึกฝนตัวเองอยู่ในจุดนั้นได้ไม่ต้องหนีมันแต่ถึงจุดหนึ่งเราก็เปลี่ยนตัวออกมาทดสอบเช่นไปอยู่ตามวัดบ้างไปทดสอบดูว่าที่ฝึกมาในชีวิตฆราวาสในในบ้านในเมืองนี่มันได้ผลบ้างไห้หลวงพ่อเป็นฆราวาสนะตอนที่หักเนะี่ย ตอนที่อาดจะได้กระชับกระเงมากเลยก็ตอนเรียนพละวัฒนะคันยังหนุ่มเ่อนภาวนาใช้ชีวิตตอนที่ทำงานงานก็นหนักนะงานหนักสรารพนะัดเลยปัญหานาน า, นาชนิดล้วก็เรียนรู้จิตใจของเราในท่ามกลางปัญหานั่นแหละปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่ชอบมันมันจะเป็นเครื่องบั่นทอนเราทาให้เราท้อแท้ท้อถอย รู้สึกว่าโอ้ปัญหาเราเยอะเหลือเกินงานเราเยอะเหลือเกินชาตินี้เมื่อไหร่จะภาวนาได้ไม่คิดอย่างนี้โง่นั้นทําไมล่ะของเราภาวนาตอนไหนเราภาวนาตอนมีผัสสะทหารพี่ตานทำงานก็มีผัสสะนะไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมอยู่ตรงนั้นแหละทำการภาวนาไปทํางานไปแต่องก็เตือนไปแต่หลวงพ่อต่างกันไอชีนนะไม่ชีทํางานทาหน้าที่ถังขยะด้วยหลวงพ่อไม่ยอม คนกุ่มใจก็มาเล่าให้แม่ชีฟังนะชีก็ยิ้มไปยิ้มมานะทั้งไหนแทบจะตายแล้ววันวันจะเก็บขยะเอาเต็มถังเลยนะล้นังเหมือนก็เหนื่อยเลื่อหน่ายท้อแท้ถ้าแม่ชีฝังเรารู้ไปแม่ไม่สนใจหรอกเราเรียนรู้ไปกิเลสเหมือนเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ สติปัญญาเข้ามาสางตาคงจะห ม, มึนลยมใจแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังจําเป็นต้องอยู่กับโลกยังไม่เฉียดไม่ถือว่าเป็นนักบวชแท้นะจริงๆเป็นนักทํางานในโลกในเพศไม่ชีแล้วทํางานไปนทั่วโลกเลยใช่ไหมทำงานไปนทั่วโลกเลยนักบวชหมายถึงวางงานอื่นหรือแต่งานทางใจเป็นหลักนี้นเจ้าเท่าจริงๆก็คือเรายังอยู่ในโลกเราทํางานทางโลก ทำงานทางโลกหว้างการปฏิบัติทำไหมไม่กว้างนะถ้าทําเป็นเพราะฉะนั้นทำโลกทํางานทางโลกมันก็คือการมีภาษามีภาษาแล้วเรียนรู้รู้จิตใจของเราไปรู้ไปช่วงนี้เหนื่อยนะ้ะก็ทำความสงบมีเรื่องมีแรงก็มาทํางานต่อถึงช่วงหนงึ่งมีโอกาสก็ปลิดตัวเป็นระยะระยะแล้วใจี่สีนื่อนเลยยังต้องอยู่กับโลกไม่ช้านะคนที่อยู่ทํางานในโลกไม่ได้ช้ากว่าคนที่อยู่ในวัด น, นะ ยกเล่นไนปะขั้นแตกหักเท่านั้นแนหะอยู่ในโลกทายากไม่ไปเห็นนะถ้าขั้นต้นๆก็ อ, อ, อยู่กับโลกไม่ได้ช้าไปอยู่ในวัดนะเพราะว่ามีขัดแย้เยอะกระทบกระทั่งเยอะอยู่ในวัดว่างเกิดใจวันๆมันจะยกเท้าย่างเ้าเพ่งเตินๆอยู่โน่นนั่นนะ่ะเั่นไปไหนก็ไม่ได้นะหลายหลายปีจะไปไหนได้ก็เดินช้านักนี่งนั่นไม่ขี้ไปเท้าใจนะตอนนี้เป็น ก็เปสว่าเขาเข้าใจโดที่ว่าเมื่อสถาที่เข้อมาพฤติกรรมิกิจกรามที่ิดที่จะเอาแล้วเข้าเม่สถานที่วัดจะไ้มนป่อยแล้วก็้าใจว่าถ้าหยุดม่หรก็จะเจ่วัดที่ยังอยู่ที่เาเคยใส่่าทั้งความี่นั้คือเจอนสถานที่ท่รั้วผิดจะเป็นกิจกมที่นั้นนะคะแล้วเป็นเป็นพฤติการที่ถูกต้องไอคาดหวังอะมันคาดได้แต่มันไม่ได้อย่างที่คาด มันไม่ต้องไปคาดมันรู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยๆจิตจะหยุดหรือจิตจะไม่หยุดห้ามมันไม่ได้จิตมันจะหยุดเมื่อมันพอสติสมาธิปัญญาพอเป็นแจ้งอริยสัจหยุดถ้ายังไม่พอนะไม่หยุดหรอกไป็นสั่งให้หยุดก็ไม่หยุดหรอกเงื่อนไม่ชี้ไม่ใช่เรารู้แล้วอ้ะต่อไปนี้เรารู้แล้วถ้าหยุดได้ก็พอก็บรรลุตรงนี้มีความสุขถ้าจิตไม่หยุดจิตลึ่นไปจิตจะเป็นทุกข์ อย่างนหาทางหยุดอย่าไปหาทางหยุดนะเรียนรู้ศัพสะเกิดขึ้นจิตใจเป็นยังไงเรียนรู้ไปด้วยเขาเรียนพอแล้วเขาหยุดเองอย่าไปช่วยเขาหยุดนะช่วยเขาหยุดมันขี้เกียจช่วยเขาหยุด่มถาะปาการองีันมีัรกเรม้ันม่มักสมิอการหยุดมันมีหลายตัวนะ หยุดเพราะสมถะก็ได้เช่นจิตตุ้งต้านทําสมถะมันก็หยุดหยุดริบนยุดเพราะวิปัสนาก็ได้เราเห็นว่าจิตตอนนี้มันร้นพอเรารู้ทันเริ่มรีนมันหยุดหยุดเระมรรก็ได้อยู่เพราะผลก็ได้อยุดเพเข้าถึงนิพพานก็ได้มีทั้งห้าหยุดเลยของเราการที่เราเห็นนที่เราทําได้มีสองหยุดคือแรกมันท่ากับวิปัสสนา เราเห็นใจมันดิ้นดิ้น่ะทำความสงบหายใจไปเรื่อยสงบนิ่สงบหยุดเหมือนกันไม่ดิ้นไม่รีบสมถะอีกอย่างหนึ่งเรารู้ท่านจิตที่ดิ้นจิตที่ไม่ดิ้นจิตที่ดิ้นจิตที่ไม่ดิ้นนะรู้ไปเรื่อยแต่มันวางเป็นระยะระยะมันวางเข้าเป็นระยะจริงก็คือมันเดินวิปัสสนาไปช่วงหนึ่งย่าคลิกก็หาสมถะเป็นระยะระยะอย่าจงใจคลิกนะเดินค่เก่งแต่ถ้าทําสมถะต้องจงใจเอา สมาทานก็คือตั้งใจให้จิตไปจ่อในอารมณ์เดียวอันนี้เป็นสัสังขาริกังโน้มนําที่เกิดสโดนวิปัสนาเป็นอสังขาริกังเกิดเองไม่ได้เจตนาใะให้เกิดอันนี้ในตําราไม่มีนะอภิธรรมไม่ได้แยกสังขาริกังสังขาริกังในเวอร์ชั่นที่หลวงพ่อแยกนี้ยหลวงข้อแยกในจากการดูของจริงที่ทําอยู่ในอภิธรรมสอนได้เก้าๆเนี่ยอภิธรรมเคราว่ า, วาวละเอียดนักหนานะ พอมาเจอนักปฏิบัติบอกเศร้าๆเศร้าๆคือโอ้หมดเวลาเศร้า ๆ, ๆคือเขาไม่ได้แยกจิตที่เป็นมหากรุสตรจิตมหากรุสตรจิตมันมีเขาแยกไว้รวมไม่ชนิดเดียวกันจิตที่เป็นมหากรุสตรมีปัญญาเกิดเองกับ จ, จงใจให้เกิดเขาไม่ได้แยกจิตที่ทําสมาธิเขาก็ถือว่ามีปัญญาเหมือนกันแต่ไม่ได้แยกแยะ แลจริงไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ารวมในภาพรวมแล้วก็เรียกชื่ออย่างเดียวกันว่าเป็นมหาภูตนและจิตญาณสัมพยุตให้ทำสมาธิได้ปัจนาแต่ถ้าเราหัดรู้หัดดูให้ละเอียดเนือเราแยกได้หยี่นในมหาภูตนญาณสัมพยุตมีทั้งหลายแบบแต่ละแบบแต่ละแบบทำงานได้คุณภาพไม่เหมือนกันหรอเราพักก่อน